เรื่องภิกษุเดินลุยน้ำสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินลุยน้ำน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่51็ด สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสิจิให้เคลื่อนจึงเดินลุยน้ำน้ำอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทาน้อาอสิจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุ